แต่บัดนี้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยว่าต้องทำสำเร็จเพราะแน่ใจแล้วว่าถ้าทำตามลำดับสติปัฏฐานสี่ผลจะต้องเกิดขึ้นตามลำดับไปด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุธรรมแต่อย่างน้อยฉันก็รู้สึกแล้วว่าสติปัฏฐานสี่เป็นของจริงทำได้จริงไม่จากัดการและพระพุทธเจ้า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 ก็เห็นชัดว่ากายกำลังอยู่ในสภาพนั่งสมาธิรูปพรรณสันธานของกายที่ปรากฏจากมุมมองภายในยามนี้แตกต่างจากครั้งยังไม่ผ่านการฝึกสติปัญฐาเป็นคนละเรื่องกล่าวคือก่อนฝึกนั้นถ้าทำความรู้สึกเข้ามาที่กายปับ๊บความรู้สึกนั้นจะบอกทันทีโดยไม่ต้องกำหนด